สามารถให้ที่ทางที่ถูกต้องเราอาจจะหลงทางก็ได้ดตงนั้นในสติปัฏฐานสูตรที่เราสวดตอนเช้าเนี่ยเมื่เราบอกว่าทางนี้เป็นหนทางเพียงทางเดียวเอกายนมมโนมัคโคสตานังวิสุทธิยาซึ่งในสติปัฏฐานสูตรเนี่ยท่านบอกว่าถ้าเดินทางนี้ทางเดียวแล้วเนี่ยมันจะได้อานิสงส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 หลักประกันของท่า น, นจิตของเราจะสะอาดหมดจดได้อย่างต่าที่สุด25เปเไม่เกินเจปีที่ท่านตัดประกาศเอาไว้ตั้งแต่เจ็ดวันถึงเจดปีจิตของเราต้องสะอาดหมดจดระดับหนึ่งท่านบอกว่าไม่ระดับที่ว่าเมื่ออุบาทิยังเหลืออยู่ก็ระดับที่ว่าเราจะไม่กลับมา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 มีทางเดียวคือจะเดินไปไกลเท่าไหนก็ต่างต้องกลับมาตั้งต้นใหม่ถ้าจะเดินไปเรื่อยๆมันก็หลงไปเรื่อยมีใ จ, จตายอย่างเดียวไปข้างหน้านอกจากอถึงไม่ตายก็ไม่ใช่ทิศทางที่เราต้องการล่ะคือถ้าจะว่าไปคือไม่ถึงทิศทางที่เราต้องการนะเพราะฉะนั้น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 โทมนัสคือความไม่สบายใจเพื่อความตั้งอยู่ไม่ได้แต่คาว่าทุกขะคือความไม่สบายกายไม่สบายใจแลบุเอาไว้เลยนะความไม่สบายกายไม่สบายใจมันจะตั้งอยู่ไม่ได้นะข้อนี้ก็ยิ่งต้องพิสูจน์กันว่าควาว่าทุกขะโทมนัสท่านไม่ได้หมายถึงความไม่สบายใจอย่างเดียวความไม่สบายกายก็ตั้งอยู่ไม่ได้ด้วยทีนี้เรามาวิเคราะห์กันดูว่า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 ความ ส, เสุเศร้าพิไรลำพันธ์ของเราเนี่ยจะอยู่ในรูปแบบไหนก็คือเอาเรื่องความไม่สบายกายหรอไม่สบายใจมามาคิดมาปรุงบ่อยๆเช่นเราไม่สบายใจพ่อลูกเราก็เอาเรื่องลูกความไม่สบายเรื่องลูกมาคิดบ่อยๆนะั่ก็เรียกว่าสเศร้าพิไรลำพันธ์ในระดับของผู้ปฏิบัติ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 นะไอ้การที่หายเองนี่ร่างกายมันเกิดมีการผิดปกติแล้วมันจะต้องจัดการให้มันหายอ่ไอ้ตัวจัดการเนเองคือการบูรณาการใช้ทำสา3ข้อคืออาตาปีสติมาสัมปชานุนะดังนั้นในจุดนี้จึงอยากจะให้เราทั้งหลายให้แจ๋มแจ้งในตัวบทด้วยแล้วเจ๋มแจ้งในวิธีการด้วยที่แล้วมาเราโฆษณาเราประชาสัมพันธ์